สำหรับหมดนาหาเรเบริกูรัตัญญาณนี่เป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับปีสุสมณีนถึงแม้ว่าอุบาสุกอุบาสิกาก็ถือว่ามีความสําคัญเหมือนกันแต่ได้ว่าที่มีความสําคัญน้อยหรือสำคัญมากกว่ากันก็เพราะว่า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 สำหรับอาหาเรปริกรสัญญานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพื่อบรนดาลพิสุท์สงฆ์ทั้งหลายที่เข้ามาอุปสมบทบรรพชาเมื่อก่อนที่จะฉันพัตตาหารให้พิจารณาเป็นอาหาเรปริกรสัญญาเสียก่อนโดยมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ฉันเพื่อรส่อย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 ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบวชเขมามาเมามันในอำนาจอำนาจของกิเลสการจะฉันข้าวก็ดีการจะฉั น, า ก, านาการจะนุ่งห่มผ้าก็ดีท่านให้พิจารณาไปแสงค่ายโยริสโสจิวรางปิเเสวามิาหมายความว่าเราจะไม่พิจารณาถึงสีที่สวย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 ท่านรามากล่าวเกีกันทก่นถึงการทิจารนาเพื่อเจริญพระกรรมฐานในหาเรย์ริโกฤสัญญาและก็จงอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเจริญกรรมฐานกองใดท่านจะทิ้งอารมณ์สมาธิเสียไม่ได้สำหรับมหาเรย์ริโกฤสัญญานี้เป็นสมาธิด้านคิด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 สมเด็จพระสมมาสัพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างไรหลักสูตรโดยตรงก็คือหนึ่งสัพปะปาระสาการนั่งให้งดการกระทำความชั่วเสียทุกอย่างสองกุศลโ ส, รสประสมทาสร้างแต่ความดีสีอสาระจิตตปริโยทปั น, นังทำจิตใจของสายปราศจากกิเลส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 แล้วต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวนนีก็มาสอนให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรีริกูรสัญญาก่อนที่จะพิจารณาใช้สัญญาพิจรารณาเสกก่อนว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินวรบรมสาสสะสันดาสมาสุภเด้าสอนเราตอนนี้มันแน่หรือไม่แน่จริงหรือไม่จริง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 แต่เหลือไม่หิวมากก็ตามโดยมากมยจะติดในรสแต่อาหารติดในกลิ่นขอาหารลืมความสกรปรกของอาหารอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคเข้าไปมันสะอาดที่มันสกรปรกแกงอย่างดีเที่ยวแกงมาร้อนๆต้มหรือผัดอย่างดีนี่มันสะอาดแลวสกรปรก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 นี่เขาพิจารณากันยังไงที่นีเป็นพระอนาคามีแล้วก็ก็ต้องพิจงงารณาเหมือนกันแหละจะไปจะพิจารณาแบบอื่นไม่ได้ ए, ए, ตอนนี้เมื่อกี้นี้ว่ากันถึงสุขภาพภายนอกทีนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิเอาปัญญาเข้าพิจารณานั่นมาเป็นสัญญา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 ยจิตสบายไปรมชาญพิจนารณาแล้วปัญญามันจะเกิดมากอย่างนี้สมเด็จพระโู้มีพระภาาเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยเกิดนิพิธายานคือความเบื่อนหน่ายในขันห้าอร บ, บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยสุ น, นานเวลาสําหรับที่จะแนะนํากันในวันนี้ก็หมดแล้วความจริงแค่นี้ก็เห็นว่าจะพอพอใช้พอกินพอใช้ทําใจให้สบายได้